แต่พูดจะมีเหตุผลน่าฟังทำให้ข้าพเจ้าคล า, คลายความคิดถึงลูกชายไปมากทีเดียวดูก่อนอุบาสกสมมติว่าบุตรชายของท่านจะมารับท่านไปอยู่ด้วยชิกตุงสาวัตถีท่านจะไปกับเขาไหมข้าพเจ้าต้องตึกตรองดูก่อนถ้าการไปของข้าพเจ้าจะเป็นเครื่องรบก้วนความสุขของลูก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 เขาจึงเป็นดวงใจของขปเจ้าตราบใดที่เรายังแยกกันขปเจ้าก็จะอยู่อย่างคนไม่มีดวงใจถ้าเขาไมา่เยี่ยมขปเจ้าก็เท่ากับว่าดวงใจของขปเจ้าได้กลับคืนมาอุปากเลยเวลานี้ท่านได้อยู่ใกล้ลูกชายของท่านแล้วท่านหมายคว่ามหวได้งไงตะมันนะ ท่านพบเขาเหรอเขากําลังเดินทางมาเยี่ยมข้าพเจ้าใช่ไหมไม่ใช่กําลังเดินทางมาแต่มาถึงแล้วฮะมาถึงแล้วเออเวลานี้เขาพักอยู่ที่ไหนอนะ่ะท่านสมณนะโปรดบอกข้าพเจ้าเร็วด้วยเถอะข้าพเจ้าจะรีไปพบเขาเดี๋ยวนี้ท่านไม่ต้องไปพบเขาหรอกเพราะว่าเขาอยู่ข้างหน้าท่านนี้แล้วอยู่ข้างหน้าข้าพเจา้าถูกแล้ว ท่านกำลังสนทนากับเขาอยู่ปอ ะ, อ ะ, อะหมายความว่าท่านท่านเป็นเรวัตตามุดคับพรเจ้าโอ้เป็นความจริงแล้วนี่ยเป็นความจริงเรวัตตาคือข้าพเจ้านี่แหละข้าพเจ้าไม่แน่ใจ ขอให้เข้าไปเจ้าตรวจ ด, ดูก่อนเจวจอะไรตรงไหนเออที่ท้ายทอยตรวจ ด, ดูได้เลยมีอะไรเป็นสําคัญเนละเรวัตตะบุตรชายเข้าไปเจ้ามีฝายเม็ดหนึ่งที่บริเวณท้ายทอยเป็นสําคัญออโอ้เจอแล้วเจอฝายแล้วโอ้เรวัตตะลูกพ่อ โอ้เรวกลับลูกพอโอ้ไม่นึกเลยว่าจะได้พบลูกอู้พ่อดีใจยังที่สุดหยุดร้องไห้เจอคพ่อจงดีใจเป็นสุขเถอะที่ได้พบลูกชายแล้วตั้งแต่บัดนี้ไปเราจะไม่ต้องแยกกันอีกต่อไปแล้วลูกเอ พ่อไม่เคยคิดเลยว่าจะได้พบเจ้าในลักษณะเช่นนี้เมื่อเห็นหน้าเจ้าพ่อก็คิดถึงแม่เจ้าถ้าแม่เจ้ายังมีชีวิตยอยู่แม่ของเจ้าจะดีใจท่าเพียงไหนแต่เจ้ามาถึงช้าไปจึงไม่ทันเห็นใจแม่อม ปฏิดาเอยวิญญาณของเจ้าอยู่แห่งใดจงรับรู้ด้วยว่าบัตรนี้ลูกของเรามาถึงแล้วมาดูหน้าลูกของเราด้วยกันเถอะสงบสติอรารมณ์สบายเถอะพ่อจะได้ร้องไห้ข้ามควรไปเล ย, เยวัตดากพ็พ่อ ทั่วะยาะเวลาหลายปีที่เราจากกันลูกเปลี่ยนแปลงไปมากถ้าลูกไม่บอกพ่อพ่อจะไม่มีวันรู้เลยไหนลองเล่าให้พ่อฟังสิว่าลูกไปยังไงมายังไงจึงได้มาพบพ่อลูกจะเล่าให้พ่อฟังเดี๋ยวนี้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 พ่อเคยซะแล้วบางทีไม่ได้หลับติดๆกันสองสามคืนก็เคยคืนนี้พอดีใจเกินไปที่ได้พบลูกเลยทำให้นอนไม่หลับพอรู้สึกใครกับว่าตายแล้วเกิดใหม่ทีเดียวเออเช้านี้พ่อจะต้องบรรทุกฟืนเข้าไปขายในเมืองเพราะถึงกำหนดแล้ว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 แต่ว่ามีอะไรเลรอพ่อเกลียของพ่อโค ข, ของพ่อกระถ่อมของพ่อเนี่ยจะทำยังไง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 เย็นแล้วพระบรมศาสดาทรงแสดงคำอยู่ในธรรมศาลาท่ามกลางบริษัททั้งสี่ที่นั่งข้าพเจ้าตรงข้ามกับที่นั่งของอุบาสกอุบาสิกาพอดีเพียงแต่ทอดสายตาไปข้างหน้าเท่านั้นก็จะมองเห็นทุกคนได้ถนัดเพราะที่นั่งของพิสุสงนสูงกว่าพวกอุบาสกอุบาสิกา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 เป็นท่าในกรุงสาวัตถีตามปกติแต่เอาจะเคราะห์ร้ายอยู่สักหน่อยไม่ค่อยจะมีคนใจบานจึงตัดสินใจเดินไกลไปกว่าที่เคยเดินออกไปช้าๆด้วยอาการสํารวมทอดสายตาไปข้างหน้าชั่วระยะสี่สองตามแบบอย่างอริยวงกานิมนต์พระคุณเจ้าแวะมาโปรดทางนี้ก่อน เงยหน้าขึ้นมองไปทางเสียงนั้นหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ข้างประตูประสาทหลังใหญ่ในมือมีภาชนะอาหารสำหรับใส่บานหญิงสาวคนนั้นจำได้ว่าเป็นคนเดียวกับที่พกในธรรมศาลาไม่เย็นวานและประสาทหลังนั้นเป็นของท่านสุมาละนี่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 ขอมาถึงข้างหน้าเธอพรุมงนี้ข อ, อนิมนพระคุณเจ้ามารับเป็นธบาทที่นี่อีกลีลาวดีเจ้าใสบาทแล้วเหรอใส่แล้วค่ะแม่เพิ่งจะรู้แน่ชัดเดียวนี้เองหญิงสาวคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นที่แท้ก็คือลีลาวดีลูกสาวคนเล็กของพันขหบดีผู้มีพระคุณ น, นั่นเอง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 เมื่อนั่งลงบนอาสนะที่เขาจัดไว้ในห้องชั้นล่างของปราสาทแล้วเอลาวดีก็นำบาตรบรรจุอาหารรสเลิศมาถวายขณะที่ฉันเวลาวดีก็มานั่งอยู่ใกล้พร้อมเรือนางพรามณีและนางทาสบางคนทุกคนจ้องมองมาเป็นตาเดียวแต่ก็ทำเป็นไม่เอาใจใส่ก้มหน้าฉันเรื่อยไปฉันเสร็จ อนุโมทนาแล้วจะรีบกลับทันทีรู้สึกอึดอัดใจจนบอกไม่ถูกมันจะการของประสาททำให้รู้สึกว่าเป็นเด็กจันทานพยายามระงับความรู้สึกและกิริยาอาการให้เป็นปกติไม่ให้เป็นที่ระแวงสงสัยสิ่งที่วันเกรงที่สุดคือ